าการตั้งใจฟังธรรมเทศนาต่อไปพวกเรามีหลายกคกหลายเหล่าหลายครูหลายอาจารย์มารวมในสนักเดียวกันฟังเทศอาจจะมีแตกต่างกันบ้างแต่ละครูแต่ละอาจารย์เทศสอนไปตาม มัิีของตนโดยส่วนมากคนเรามันเกิดขึ้นมามันจะต้องแตกแยกกันเป็นธรรมดาเบื้องต้นก็นไม่มีอะไรหรอกเกิดคนเดียวเกิดที่เดียวเนี่ยเกิดแต่ท้ามหาพรหมนานนะข้ามันหลายหมื่นปีแสนปีมา แ, แยกย้ายเอาไปเป็น อาสาชาติต่างๆตลอดถ้เป็นตร ก, กูลแล้วก็มีอาชีพคนตะอย่างค้าขายทำามากินกติกรรมที่ก่อนว่าชิศกรรมตลอดถ้าเป็นคนรับจ้างทำไรทำสวนทำนาค้าขายทีประการต่างๆ ในผลที่สุดคนทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยดิ้นโลนกระเสือกระสนเพื่อความอยู่รอดเพื่อไม่ให้ตายอันเดียวกันลงอันเดียวกันทำอาหากินได้ประการใดก็ตามเด็ดก็เพื่อความอยู่รอดเพื่อความไม่ให้ตายพระพุทธเจ้าเทศนาสัพเพสตาหารลิติกา่า สัตว์ทั้งหลายอยู่ด้วยอาหารมีอาหารเป็นเครื่องอยู่ถ้ามีอาหารแล้วก็ตายเครื่องเหล่านั้นไป็นสคัญเท่านนะัเครื่องหนุ่มของห่มเลือที่อยู่อาศัยยุกยาเทสะ ต, ต่างๆนั้นเป็นของประกอบเมื่อ ม, มีชีวิตอยู่ประจำป็นจะต้องมีเหล่านั้นชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหาร นั่นใครจะทำที่ไหนก็เอาเถอะรวมเรียกว่าเพื่ออยู่รอดเพื่อไม่ให้ตายชั้นใดธรรมะธรรมสองของพุทธเจ้าก็ฉันนั่นเหมือนกันก็พุทธศาสนาเผยแพร่มาเมืองไทยของเรามันต้องพันกว่าปีมาแล้วเกือบสองพันปีแล้ว ข่วงขว๋งคุยแพร่มาณิศาสตร์มาในเมืองไทยของเราครูบาอาจารย์แนะนําตักเตือนสั่งสอนตัวประการต่างๆเข้าใจในฉลาดอย่างไรก็ต้องตักเตือนแนะนําสั่งสอนพุทธวิาสาทตัวประการต่างๆแต่ความประสงค์นั้นอะไรประสงค์ลงันเดียวกันคือเพื่อเชิดชูพุทธศาสนาเดียกันนะั้น ผู้ที่อบรมจังสอนโดยการภาวนาด้วยการให้ทานการสร้างโบสถิหารพุทิสลมสลาการมาเรียนอะไรต่างๆผู้ที่ต้องการนั้นก็อส่งเสริมให้สร้างอันนั้นผู้ที่ต้องการส่งเสริมให้สร้างเท่าไหนก่อช่วยอุฒหนุนและช่วย ซักจุงอุดหนุนห้าสร้างในทางนั้นผู้ที่สร้างในทางศีลธรรมเห็นดีเห็นชอบเหมืนก็สร้างไปผู้ที่สร้างคุณงามความดีด้วยธรรมสมาสิทีภาวนาก็อบรมทางสอนไปด้วยอธิปการแต่รวมแล้วเรียกว่าศิกขาสาม สีนสมาธิปัญญาไม่หนีจากนี้รวมทั้หมดเท่านั้นโดยเฉพาะในสมัยเดียวนี้พากันอบรมยุคหนอพ้องหอตั้งสติกำหนดยุคหนอพ้องนอ้อยเกิดให้เห็นเกิดดับแนวกาลงเดียวเท่านั้นเนี่ยสังมา้าหัง มาพิจารณาเห็นองค์พระเห็นองค์เจ้าอยู่ตรงสะดือใตส้สะดือนลงมาเห็นขึ้นมาเลือ่อนมาทำกลางของอกนั่นก็ให้จดจ้องอยู่เต่เพานะนันเป็นอารมณ์ผู้ที่ภาวนาพุทโธไม่ต้องเอาอารมณ์ไม่ต้องไม่ต้องนึกเอาอะไร เอาอารมณ์มันเดียวคือให้ไม่อยู่ในพุทโธอันเดียวไม่ต้องลูกไม่ต้องกําหนดรูกไม่ต้องกําหนดภาพเอาอารมณ์เอาอารมณ์มันเดียวให้แน่วแน่เฉพาะก็ะไม้ความให้คิดรวมมันเองยกน้องของหน้องกระไมยความไม่จิมารวมแค่เดียว สัมมาแหังก็หมายความไม่จิตมารวมอย่เดียวพุทธโธกหมายความไม่จิตมารวมอย่งเดียวแต่ตรงลงว่ารวมจิตเดียวเนี่ยคือสมถาะาไม่ใช่ยปัสนะแต่ในสนาาาํานักต่างๆเขาเรียกก็สําสนาักยปัสนา ธรนักวิปัสนาขวาันแต่คนปฏิบัติฝึกหาดนั้สมถะกวา่าทั้งสมถะก็ยังไม่ได้วิปัสนาถ้าหากว่ามันเกิดมันเป็นขึ้นมาไม่ได้แต่งเกิดเองเป็นเองรู้แจ้งแทนตลอดมดทุกสิ่งทุกประการ หายสงสัยมดไม่มีเครื่องคองโล่งมดเป็นธรรมมดทุกสิ่งทุกประการลงสภาพเป็นอนิจจุกขอังอนัตตานั่นจึงเป็นวิปัสนาอันนี้แต่สมถะก็ยังไม่ทันเป็นเจ้านายกายก็ยังไม่ทันออกไม่ทันเห็นสำ้ำ กายเรากายเขาก็ยังไม่เห็นวิญญนายตนะทางหกเขายังไม่เข้าใจทํำอีกายตนะ ท, ทางหกตัางหูจมูกลิ้นกายไปอยู่ไหนก็นไม่ทราบนีปัจนามันต้องเป็นอริยมรรคเป็นห้องหนึ่งแล้วมันกลับเป็นอีกออเป็นทีเดียวฉะนั้นเนี่ย คงมักอันหนึงน่งเป็นวิปัสนาครั้งเดียวเท่านั้นแหะไม่ได้เป็นอีกหรอกอันนี้อาไรวิปัสนาหมดทางบ้านทางเมืองคนเราก็เป็นผ้าหานมาด้วยสิมันเป็นวิปัสนาหมดทางบ้านทางเมืองเลยจะอยู่ได้ยัไแต่ก็ไปไหนไปคนแล้วใครอยู่ไต่รอบๆนันได้เมื่อเคยดินขี้ดินนี่แหละไม่เห็นไปไหนกันนะ อาจมาจะอธิบายถึงเรื่องพุทธศาสนาสอนว่าสติปัฏฐานสี่ไม่หนีจากสติปัฏฐานสี่พระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานสี่เองกายกับจิตเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมทั้งสี่นั้นรวมนี้เรียกว่ากายกับจิต อัตมาไม่เอาอันอื่นมาสอนสอนเฉพาะอันนี้แหละพระพุทเจ้าสอนนี่แหละคลอยเห็นกายข้างตนคลอยเห็นจิตข้างตนแล้วก็แล้วกันเห็นยังไงกันเห็นกายเห็นจิตเห็นตามเป็นจริงมันเป็นจริงในเห็นตามเป็นจริงหรือไง กายเมีย่ยจะต้องแตกดับสลายอันนี้เรียกว่าของจริงกายจะต้องเกิดดับเรียกว่าเห็นของจริงถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเรียกว่าเห็นสติปัฏฐานสี่เห็นกายทั้งเล็กกายเกิดดับแล้วมันไปไหนล่ะคะนี่จิตจะไปไหนล่ะ กายกับจิตยังไม่ได้อยู่ด้วยกั น, นกายดับแล้วจิตยัไม่ได้อยู่มันไม่ได้ไปไปดับกับกายนีย่มันได้ไปเกิดอยู่ไปเกิดนี่ก็ตีแน่นอนอย่างาอันนั้เนเรียกว่าจิตจิตเห็นจิตเจ้าของเห็นจิตไหมล่ะค่ะนี้กายแตกดับแล้วเจ้าของเห็นไหมเห็นจิตหรือตัวเองเห็นจิตตนเองไหม นั่นะสำคัญู่ตรงนั้นะให้เห็นกายเห็นจิตไปแล้วกันงนเมื่อกายยังไม่แตกดับจำเป็นจะต้องพยุงพยายามพยุงพยายามรักษามีอาหารมีน้ำมีกอเข้าปลาอาหารเป็นต้นเนี่ยเลี้ยงดูไปเหมือนกับพู้ใจเจ้าของเรา พระองค์ยงทพระชนชีพอยู่กับตราบไดแล้วพระองค์ยังเที่ยววินาศบาทอยู่ยังว่าฉันอยู่แต่พระองค์ฉันเป็นวัดพระองค์ฉันอย่างบุทรชนคนธรรมดาเรียกว่าวัดคือจิตของพระองค์จะต้องชำระสาสังใจของพระองค์ได้ไม่จิตไม่ให้เกี่ยวข้องไม่หัวพันกับรสชาติอาหารต่าง ฉันสักแต่ว่าฉันรสชาติสักแต่ว่ารสชาติมันจำเป็นจะต้องรักษาหากว่าเห็นกายแล้วเนะ่เป็นแต่สักว่าเฉยๆมันแตกมันดับไปเมื่ อ, อไรเห็นจิตสักแต่ว่าจิตจิตไม่ใช่ของใคร ไม่มีใครเป็นเจ้าของอนที่เราถือว่าจิตของเราของเรานั้นเราถือว่าเราเราถือว่าจิตอะไรนของเราจิตนะมันเกิดดับเกิดดับอยู่นะเกิดจากนี่แล้วก็เป็นพบน้อพบใหญ่ที่เราบอกพบน้อยพบใหญ่ภาวะภเวคือเกิดดับเกิดดับอยู่นั่นเองเกิด ด, ด, ด, อ น, น, น, ดนอารมณ์นี่แล้วก็เป ดับแรมลบนี่ก็เป็นเกิดอารมลบอื่นเกิดเรื่องอื่นนก็ไปดับแรมลบนั้นก็เกิดแรงอลบอื่นต่อไปเลยติดเนื่องกันไปไม่มีไม่ขาดสายเพราะนั้นเรียกว่าพบน้อยพบใหญ่มันคือดับจากคพบนี้แล้วเราไปเกิดเจากพบต่างๆลายเป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นปนสุรกายสติรชาชานั้นเรีวยว่าพบใหญ่ให้เห็นจิตตรงนี้แหละ จิตตรงนันที่มันเกิดกดับเกิดดับอย่นี้กายดับและกายแตกสลายไปมัาเป็นอะไรเป็นดินน้ำไฟลมของเก่าเป็นของใครเราดินน้ำไฟลมไม่มีของใครอาวะเกิดดีกับดินน้ำไฟลมของเก่านะามาเกิดเดียวเป็นของใครก็ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นส่วนใจก็เหมือนกันส่วนจิตก็เหมือนกัน ไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งเราเรียกว่าจิตยินดียินไล่เกลียดยโกรธไอ้รักชังอะไรต่างๆนั่นเป็นจิตเหมือนกันแต่เราไปยึดของพันั้นถ้าเราไม่ยึดก็เป็นของธรรมดาต้องอยู่อย่างนั้นมันไม่ไม่เป็นของใคร การเห็นตามป็นจริงแล้วสละความมันนั่นแะคือไม่ถือไม่ไม่ถือตัวไม่ถือว่าเป็นของเรานะมันก็หมดเรื่องกันไปเรียกว่าพิจนาสติปัฏฐานอย่างอย่างเลยพระพุทธเจ้าท่านสอนสอนอย่างนี้นะให้สอนก็สอนไม่เถิด ส, ส, สอนที่ไหนสอนยงไงก็สอนไมถิดสอนเพื่อให้ละให้ทิ้งกายให้ทึ้งจิต ปล่อยวางกา ย, ยวางจิตท่านได้ทั้งหมดเรื่องแล้วครั้งนี้การที่จะปล่อยวางกา ย, ยวางจิตเราทำยังไงละคนมันยังอีกอย่างหนึ่งมันยังอีกแผนกางต่า ง, งหากแล้วมันต้องตั้งสติครั้งเมื่อเราถือว่ากายของเราจิตของเราเราต้องตั้งสติทั้งหมดให้ เขีมแข็งล้าหานที่สุดตัวของเราเราถือว่าตัวของเราต้องตั้งสติพิจารณาเพ้าว่าจิตของเราต้องตั้งสตพงิพิจารณาจิตพิจารณากายเราทําอะไรทุกวันอย่างนี้อยู่เดินนั่งนอนอยิ้ยว่าปวต่างๆดีไหมชั่วไหมหยาบละเอยียดอะแรงต่าง แล้วมาสู่สถานที่นี้เรียกว่ามาขัดอบรมภาวนาสมาธิเราต้องทําทําให้เต็มความสามารถของตนเท่าที่จะทําได้ไม่ใช่มานอนเฉยมานอนสบายเฉยตากแดดตากฝนเฉยไม่ใช่ต้องทําจริงๆและไม่ใช่เราจะมาคุยกันเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องลูกเรื่องหลานและไม่ใช่มา คุยไปอย่างนั้นเราต้องตั้งใจฝึกหัดอบรมจิตใจของเราจริงๆจังคุยแก็ต้องคุยในเรื่องธรรมะธรรมโมสานานกันในเรื่องธรรมะธรรมโมจึงสมควรจึงไม่เสียเวลาเรียกว่าเป็นผู้ปฏิปกาถ้าอย่างนั้นเลยท่าไปอย่างนั้นเรียกว่าเป็นผู้ประมารทําเวลาล่วงเลย ไปเฉยเฉยหมดวันหมดคืนไปไม่ใช่หมดแต่วันแต่คืนอายุของเราหมดไปอีกซ้ําวันหนึ่งคืนหนึ่งหมดไปหมดไปเรามีโอกาสมาทําำเพียงพท่านายตั้งใจทำจริงจริงยังให้เสียเวลาเวลาโอกาสมันที่จะได้ทํามันยากนอกจากนั้นเราอยู่บ้านอยู่ช่องอยู่บ้านอยู่เรือนเรา ไม่ได้นึกคิดถึงเรื่องเหล่านี้หรอกเรื่องภาวนา น, นี้มันได้คิดแล้ถึงคิดตังวันเด้งมีสักห้านาทีสิบนาทีก็แสนยากอันมันอันไม่คิดอันโอ้ยมากมายยี่สิบแปดชั่วโมงคิดถึงสักห้านาทีก็นับประดิษกูเดี๋ด้านเมื่อมาถึงที่มาถึงที่ น, นี้แล้วทาําไม่จริงๆรงอย่างจัง ศาสนาไม่ใช่สอนเฉยๆสอนให้ทาการทานั่นต้องไรสำเร็จผลประโยชน์ทำอะไรก็ทำได้ถึงไม่ว่าอของภายนอกภายในถ้าทำแล้ว ย, ยอ่ยอมสำเร็จประโยชน์ทั้งนั้นไม่มากก็ต้องน้อยนี่นะให้พิจารณาถึงกายถึงจิตดังอัตมาที่บานมา พิจรณาจิตให้เห็นจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งให้เห็นของจิตให้เห็นอาการของจิตนั้นผู้นึกผู้คิดผู้ปรุงผู้แต่งหรือสัญญาอะไรต่างๆเรียกว่าจิตทั้งหมดถ้าหากสติเข้าไปคุมจิตเขล็ดเลื่อนของจิต จิตที่เป็นของเร็วในเป็นของไยที่สุดเราจะรู้เรื่องของมันทำไปควบคุมเลยมันจะช้าลงทีเดียวจิตนนมันคิดอะไรก็เห็นมันปรุงมันแต่งอะไรก็เห็นแต่คราวนี้เราจะให้มันคิดก็ได้จะไม่คิดก็ได้ เรายังจะควบคุมจิตนั้นอยู่เรียกว่าควบคุมควบคุมจิตอยู่ในบ้านของตอนใดละไม่ใช่ให้จิตคุมเราจิตคุมเรานะั่นเราไม่รู้ตัวเรามันไปร้อยแดทั้งประการมันให้รักให้โกรธมันให้เกลียดให้ชังไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างจิตเราควบุมจิตไปใได้จิตคุมเรานะ่ะ ให้ช่อให้โปง่งให้รักให้ขโมยไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันมันคุมเราไปครั้มันคุมไปแล้วหรอคราวนี้เราร่อนใจแล้วครานี้เราล่องหายหลงโหล้องโผล่แล้วแข้งเขาเลยเดือดร้อนในใจมันคุมเราต้องเป็นอย่างนั้นคั้งท่าเราคุมจิตมันอยู่ในอำนาจของเราแล้วอันมันชั่วแล้วก็ไม่ทำ แล้วก็ทำแดอนอันที่ดีที่ชอบทําแดงเป็นบุญเป็นกุศลถ้าทําิตได้เพลิดเพลินมัวหมาเพลิดเพลินในการทำจิตในอนสนุกสนานเพลิดเพลินโดยความดีทันทีไม่ได้มีเท่าอะไรมันจะมีทุกโศกอะไรอิ่มเอิบโดยคุณงามความดีทันทีอันนั้นอาจจะเรียกชื่อว่าแสวงหาบุญ ห, หากุศล หาผลประโยชน์เต็ตัวแท้มันนั้นเรียกว่าจิตคุมจิตอยู่อันจิตที่เราคุมแล้วค่ะนี่มันมีอันเดียวจิตจะมีอันเดียวมันไม่มีมากหรอกอันเดียวเท่ะจิตเพรคุมจิตอยู่อันเดียวแล้วมันจะรวมมาเป็นใจค่ะนี่เป็นหนึ่ง โดยเที่เราไม่ตั้งใจถ้าตั้งใจมันไม่เป็นไม่ตั้งใจยังเคยเป็นมารวมมาเป็นใจเมื่อรวมมาเป็นใจแล้มันจะรู้สึกตัวเองหรือแต่ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งทั้งหมดมีความรู้รู้สึกเพียงเฉย อันนั้นเรียกว่าใจหากให้มันรู้จักถึงใจพิจารณามันรู้จักถึงใจถึงจิตทั้งสองอาการนี่แหละพิจารณาเห็นกายพิจารณาให้เห็นใจให้เห็นจิตทั้งสามนี่แหละการปฏิบัตพิพระพุทธศาสนาแล้วปฏิบัตทิทำคำสองพระเจ้าคือปฏิบัติสามอย่างนี้เดินเนี่ยไม่นอกเหนือจากนี้ไม่มีหรอก สอนให้หัดจิตสอนให้หัดกายหัดจิตใจสติควบคุมมันนะเรียกว่าชุดหัดอบรมจิตสติหนึ่งจิตหนึ่งสติควบคุมจิตเมื่อควบคุมจิตอยู่นั้นๆนต่อแล้วมันจะรวมมาเป็นใจสติเข้าอยู่กับใจเลยอยู่เป็นอันเดียวกันไม่ต้อง ไม่ต้องรักษาสติขานี่ทั้งเมื่อถึงใจแล้วสงบอยู่มีแต่อารมณ์เดียวมีแต่มีแต่คว ม, มรู้สึกอย่างเดียวอันนั้นเป็นตัวตัวใจแท้ให้ให้โรมเพียงแค่นี้ได้ก่อนให้ถึงจิตถึงใจได้ก่อนมันจะมีประโยชน์อะไรนะยัค่อยพูดต่อไปไม่ต้องเอามากมาหายแล้ว มันจะได้ประโยชน์ให้คุณประโยชน์อย่างไรนั่นเอาไว้อีกอย่างเอาไว้อีกตัวหนึ่งต่างหากฟังทมฟังแล้วทาเรียกว่าเรียกว่าฟังทมคือทำตามนั่นเองฟังเทศนะั้นไม่ได้ทำตามเทศคือบอกสอนแล้วก็แล้วไป ฟังทำนั่นต้องทําตามไม่ต้องเอาตัวนั้งสือเอาคําพูดดีละ ว, ว่าฟังทำก็คือทําตามถ้าหากว่าฟังไม่ทําตามแล้วก็ไม่ได้ไประโยชน์ฟังไว้เฉยๆฟังไว้ามากไหมเจ็บกองไว้กองไว้แล้วเมื่อไรจะทำก็ไม่จับ เลยตายที่งกับเราถ้าหากฟังธรรมเนะี่ยฟังได้คำเดียวเท่านั้นนะ่ะมันถึงใจแนละ้วปฏิบัติอันเดียวเท่านั้นอนะ่ะมดเรื่องสาธนาไม่ต้องมีมากมายมักมีองค์แปดรวมเป็นหนึ่งอันเดียวเท่านั้นนะ เอกสมังคีมักเป็นหนึ่งแต่ความเป็นหนึ่งนั้นนะมันกั้งขวางกั้งขวางกัไปเรียนนั่นอีกถ้าหาก็ถึงหลักธรรมแล้วผู้บายต่างๆไม่จ้องออามากมายทำอาานันเดียวเสอนะ่ะไม่จ้องไปหาค้นหาคือคนไม่เห็นจึงค่อยหา คนเห็นนั้ไม่ต้องหาดอกหาอยู่มันก็เลยไม่เห็นผู้เห็นนั้ไม่ต้องหา น, นั่นอันดีอันนี้ก็ดี อ, นนดอะไรต่างๆอาจารย์นั้นก็ดีอาจารย์นี่ก็ดีธรรมะพทธังก็ดีพุทธินี่ก็ดีอะไรไ ก, นนนไรรกันไม่ถูกนิสัยของตนอะไรหาเรื่องพอติกรรมไม่ถูกนิสัย โอ้ยไม่ไหวแล้วเหตุนั้นเนะ่พวกปฏิบัติฝึกหัดทั้งหลายมันชึ้ไม่ถึงธรรมะหากันอยู่งั้นเนี่นนะถ้าเราปฏิบัติแล้วอันเดียวกถึงธรรมะเลยพุโทโธอันเดียวท่านเะนีจิตแนวลงในอันเดียวพุโทโธนะั่ตจังวปเอาอื่นไกล ไม่ต้องสมาหังไม่ต้องยกน้องของน อ, งนอพุทโธอยู่ตรงไหนจิตใจเห็นแน่วแน่ตรงไหนพุทโธนั้นเห็นใจแน่วในที่นั้นน่ะอันเดียวนั่นน่ะจะเห็นคุณพระพุทธเจ้าคุณพระองค์มากมายเหลือประมาณจะเกิดความรู้ ขึ้นมาในในพระพุทธเจ้าจะเกิดความรู้ทุกพระพุทธเจ้าขึ้นมาว่าพระพระพุทธเจ้ารู้แจ้งแทงตลอดทุกสิ่งทุกประการไม่มีสิ่งขัดข้องเห็นคนทุกพระพุทธเจ้าเห็นประโยชน์ในการทําพุทโธเดียวอันนี้ว่าไดพทท้พุทโธพุทโธอยู่ในบนเดียพุทโธนั่น บ่นไปถึงไหนก็ไปเถิดไม่ถึงพุโทโธสักทีเมื่อถึงพุโทโธพอพุโทโธเลยหายยังเหลือเด็กคุณคําปฏิกาพุทโธเลยไม่มีก็ยังเหลือเด็กคุน ย, ยังเหลือแต่ควมรู้ความฉลาดเกิดขึ้นในที้นั่นแหละพุโทโธเดียวเท่าน ทำมากที่เทศนายฟังมากมายเพื่อประกอบทั้งนั้นจับปันด็หนึ่งเข้าไปแล้วเป็นปนว่ได้ความเลยท่านได้ชัดถ้าจริงแจ้งลงไปแล้วเป็นปนว่ได้ลวบ น, นี่นั่นนับภาษาไรเราพาวนาทุกวันอีน่นี้เรียนมากรู้มากเรียนมากแต่เขาไม่ถึงชักถี ทั้งพุทธการภาษาวอกตปนั่งพราะนายอยริมสระเห็นนอกอยางกินปลาเท่านั้นอนอะเอามาเป็นคำพรติกรรมพาะยังได้เสน่หวัาผลนิพพานเนี่ว่าอะไรกับคำพบติกรรมมากมายไอ้นางปท า, าราเนี่ยไอ้นางอะไรที่เอ า, อาเทียนเป็นอารมณ์ทิกษุนี นางปจ า, จาราพิกษุนีแสงเทียนเราเป็นอารมณ์เท่านั้นนะไม่เห็นมีธรรมะิกรรมอะไรเราคิดดูว่าแสงเทียนน่ที่มันมันเขาจุดไว้ผ้ะ น, นั่นนะเอาเนเป็นอารมณ์เทียนนั่นนะเราว่างอยมันยังเป็นมันยังเป็นภาวนานลองคิดลงดูสิ เพียนเนี่ยมันต้องเวลามันเข้าจุดหนึ่งลุกวูบขึ้นไปแล้วมันจะย้อนยับยับยับยับลงมาก็วูบขึ้นไปอีกจะย้อนยับยับยับลงมามันอยู่ในนั้นเปนียบจิตของท่านเลยพิจารณาเป็นอนิจจังทุกของอัตตาลงมดแต่ไฟก็เป็นอนิจจังก็เป็นอนัตตาในตัวเป็นอนัตตาไม่ใช่ของใครมันเป็นอยู่อย่างนั้น เป็นทุกขังคือมันทนทุกข์ทรมานอยู่นั้นตลอดเวลาครางไม่มีจิตวิญญาต์ตั้งแต่หางมาทนทุกข์มันเป็นเรื่องอาการคองนทนทุกข์